หลวงพ่อครับที่เน้นดิ่งพูดว่าถ้าปลุกพระให้นั่งได้ทำอะไรได้หมดนั้นหมายความว่ายังไงครับและเกี่ยวข้องกับกะสินอย่างไรภิกษุวัย21อตั้งคำถามหลวงพ่อเดิมพลิกตัวไปทางขวานอนในท่าสบายแล้วจึงตอบปัญหาหมายความว่าการที่จะปลุกพระให้นั่งได้ต้องให้จิต ตั้งมันเป็นอัปปนาสมาธิถ้าจิตตั้งมันเสร็จแล้วทำอะไรก็ได้หมดเพราะจิตนั้นสำคัญมากจิตก็คือใจนี่แหละดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าธรรมะทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่ใจ พูดง่ายๆก็คือถ้าจิตตั้งใจถึงแล้วทำอะไรสำเร็จหมดและการที่จะทำให้จิตตั้งใจถึงก็ต้องเจริญสมถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานคืออะไรครับแล้วไปเกี่ยวข้องกับกสินอย่างไรหลวงพ่อยิ่งพูดผมก็ยิ่งงงสงสัยจะรับวิชาของหลวงพ่อไม่ได้เสีแล้ว พระหนุ่มนึกท้ออย่าเพ่ ง, งสงสัยแล้วก็อย่าเพ่งซักถามและที่สำคัญคืออย่าเพ่งท้อถอยฉันกำลังจะอธิบายให้คุณฟังอยู่เดี๋ยวนี้ช่วยจับทันลุกขึ้นนั่งหน่อยนอนพูดมันไม่ทันัดพระเจริญจึงประคองท่านให้ลุกขึ้นนั่ง ใช้หมอนสามเหลี่ยมใบโตหนุนแผ่นหลังจับขาทั้งสองให้เหยียดตรงไปข้างหน้าแม้ไหวจะเกินร้อยหากภิกษุชาราก็นั่งตัวตรงเป็นสง่าผิดกับคนสูงอายุทั่ ว, วไปเมื่อได้นั่งในท่าที่ถนัดแล้วจึงเริ่มต้นอธิบายสมถกรรมฐานหมายถึงการฝึกจิตให้สงบตั้งมัน่น หรือการทำจิตให้เป็นสมาธิซึ่งมีวิธีปฏิบัติอยู่ถึง4ี่สวิธีเรียกสันส้นๆว่ากรรมฐาน40สแบ่งออกเป็นหมวดได้เจ็ดหมวดและกะสินก็เป็นหมวดหนึ่งในเจ็ดหมวดนี้กรรมฐานเจ็ดหมวดมีอะไรบ้างครับถามอย่างสนใจ มีกสินสิบอสุภะสิบอนุสติสิบพรมวิหารสี่อาหารปฏิกูลสัญญาจตุธาตุ ว, วัตถฐานอารูปสี่รวมเป็นสี่สิบกรมมฐานเจ็ดหมวดนี้ มีคีดคันความสำเร็จไม่เท่ากันบางอย่างก็ทำให้ได้ฌานเช่นกสินบางอย่างได้เพียงอุปจาระสมาธิไม่ทำให้ได้ฌานเพราะไม่ถึงอปปนาสมาธิหมายความว่าการจะได้ฌานต้องฝึกให้ได้ถึงขั้นอปปนาสมาธิถ้าได้แค่ คณิกะสมาธิกับอุปจารสมาธิยังไม่ได้ชานใช่ไหมครับถูกแล้วสมาธิมีสามระดับคือสมาธิชัวคณะสมาธิจวนแนวแน่กับสมาธิแนวแน่เรียกเป็นภาษาบาลีว่าคณิกะสมาธิ อุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิถ้าต้องการให้ใดชานต้องฝึกให้ถึงระดับอัปปนาสมาธิภิกษุชรอาอธิบายเพราะฉะนั้นการที่เนนดิ่งแกปลุกพระให้นั่งได้ก็แปลว่าจิตแกถึงขั้นชานใช่ไหมครับพระหนุ่มถามอีกอย่างนั้นสิ หลวงพ่อครับผมได้ยินยมยายพูดถึงชาญมาตั้งแต่เด็กๆแต่ผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หลวงพ่อจะกรุณาอธิบายให้ผมฟังได้ไหมครับทำไมจะไม่ได้ละ่ะเพราะการที่ฉันบอกคุณว่าจะเรียนวิชาจากฉันต้องให้ได้กะสินก่อนก็คือให้ได้ชาญก่อนนั่นเองแต่เป็นชาญ ที่ได้จากการเจริญกสิณถ้าได้จากการเจริญกรรมฐ า, านอย่างอื่นอาจไม่แก่กล้าพอทานหมายถึงการเพ่งหรือภาวะจิตที่เพ่งอารมณ์จนแน่วแน่ถึงขันอปปนาสมาธิทานแบ่งออกเป็นสองระดับใหญ่ๆ และแบ่งย่อยออกไปอีกระดับละสีรวมเป็นแปดเรียกว่าชานแปดหรือสมาบัตแปด 8. ท่านพูดช้าหากชัดท้อยชัดคําชานสองระดับที่หลวงพ่อพูดถึงมีอะไรบ้างครับมีรูปฌปานกับอรูปฌานรูปฌานหมายถึง การเพ่งรูปธรรมเป็นอารมณ์มีสี่ระดับหรือสี่ฌานตั้งแต่ฌานที่หนึง่งไปจนถึงฌานที่สี่เรียกเป็นภาษาบาลีว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุทะฌานตามลำดับอีกระดับเรียกว่า อารมุปฌานคือการเพ่งอารมป์รรมเป็นอารมณ์ผู้ที่จะเจริญอารูปาุปฌานต้องได้รูปฌานถึงระดับจะตุทฌานเสียก่อนแล้วจึงจะเจริญอารูุปฌานตามลำดับคืออากาศานัญจายตนะกำหนดอากาศหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์ วิญญาณัญจายตนะกำหนดวิญญาณหาที่สุดไม่ได้เป็นอารมณ์อากินจัญญาัญตนะกำหนดภาวะที่ไม่มีอะไรอะไรเป็นอารมณ์และนีวะสัญญานาสัญญายตนะชานอันเข้าถึงภาวะ มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่กรรมฐานสี่สิบอย่างที่ฉันพูดมาข้างต้นนั้นไม่อยู่สิบอย่างที่มีคิดคันความสำเร็จเพียงอุปจาระสมาธิไม่ถึงคันชานสิอย่างนั้นมีอะไรบ้างครับพระหนุ่มถาม มือท่านทำงานหากดวงตาจับจ้องที่ใบหน้าของภิกษุชราฟังอย่างตั้งอกตั้งใจกรรมฐานเจ็ดหมวดที่ท่านพูดไปเมื่อตะกี้หมวดที่สามหมวดที่หาหมวดที่หกมีชื่อว่าอะไรนะท่านทดสอบความจำภิกษุหนุ่มอนุสติสิบ อาหารเรปติกูลสัญญาและจะตุธาตุว่าวัตถานครับผู้ที่เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ชมว่าความจำยอดเยี่ยมมากตอบฉะฉานดีมากความจำคุณดีใช้ได้ทีเดียวเอาละ่ะท่านกำลังจะอธิบายว่ากรรมฐานสิบอย่างที่มีคิด ขั้นความสำเร็จเพียงอุปจารสมาธิได้แก่อนุสติ8ข้อกับหมวดที่หและหมวดที่6อย่างละหนึ่งรวมเป็น10อนุสติมี10บข้อแสดงว่าอีกสองข้อมีขีดขั้นความสำเร็จถึงขั้นฌานใช่ไหมครับถูกแล้วอนุสติ10ได้แก่ พุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติสีลานุสติจาคานุสติเทวานุสติมรณสติกายคตาสติอาณาปณะสติและอุปสมานุสติเจ็ดข้อแรกกับข้อสุดท้าย มีขีดคันความสำเร็จเพียงอุปจาระสมาธิส่วนกายคตาสติมีขีดคันความสำเร็จถึงปฐมฌานและอาณาปานาสติถึงจะตุตถฌานอันเป็นขันสูงสุดของรูปฌานแล้วกระสินล่ะครับท่านกำลังจะอธิบายอยู่นี่ไงละ่ะ เรื่องนี้สำคัญเพราะคุณจะต้องเรียนทั้งภาคฤษฎีและภาคปฏิบัติกอนที่ฉันเลือกให้คุณเรียนกสินเพราะฌานที่ได้จากกสินนั้นแก่กล้ากว่าที่ได้จากกรรมฐานอย่างอื่นๆพระอัฏฐกถาจารย์ท่านจึงจัดกสินไว้ในหมวดแรกใช่ไหมครับ ถามอย่างคนช่างสังเกตถูกแล้วภิกษุสูงวัยตอบแล้วจึงเริ่มเข้าสู่บทเรียนกะสินแปลว่าวัตถุอันจูงใจคือจูงใจให้เข้าไปผูกอยู่เป็นชื่อของกรรมฐานที่ใช้วัตถุสำหรับเพ่งเพื่อจูงจิตให้เป็นสมาธิมีสิบอย่าง เรียกว่ากสินสิบและแบ่งออกเป็นสามหมวดได้แก่ภูตะกะสินสีวันกสินสีและกะสินอื่นอื่นอีกสองแต่ละหมวดมีอะไรบ้างครับผมเคยได้ยินมาว่าการเพ่งดินน้ำลมไฟก็เรียกว่ากสินถูกแล้วนั่นและคือภูตะกะสิน เรียกเป็นภาษาบาลีว่าปัทวีกสินอาโปกสินเตโชกสินและวายโยกสินหมวดที่สองวันนกสินคือการเพ่งสีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีขาวเรียกเป็นภาษาบาลีว่านีละกสิน ปีตะกรสินโลหิตะกระสินและโอทาตะกรสินส่วนกรสินอื่นๆสองได้แก่อโลกะกรสินการเพ่งแสงสว่างกับอากาสกระสินการเพ่งทีว่างหลวงพ่อเดิมอธิบายน่าแปลกที่คืนนี้ ท่านไม่มีอาการง่วงเหงาเช่นทุกคืนหนึ่งชั่วโมงผ่านไปพระเจริญจึงพูดขึ้นว่านิมนต์หลวงพ่อจำวัดก่อนเถอครับตื่นขึ้นมาค่อยสอนต่อฉันไม่ง่วงรอกคุณเวลาเป็นเงินเป็นทองจะมัวมันนอนอยู่ได้ยังไงและที่สำคัญคือเวลาของฉัน เรือนอยเต็มทีมือที่กำลังนวดช่วงไหล่ให้ภิกษุชาราร่วงพลอยลงมาด้วยเจ้าตัวรู้สึกหมดแรงถ้อยคาของภิกษุวัยร้อยเศษทำให้พระหนุ่มตระนกมือไม้อ่อนปวกเปียกหลวงพ่ออย่าพูดอย่างนี้สิครับผมผมทำใจไม่ได้ผมเคารพรักหลวงพ่อมากหลวงพ่ออย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะครับผู้พู ด, พดนั่งคอตก รู้สึกหมดอะไรตายอยากในชีวิตนับวันท่านก็ยิ่งรักและเคารพหลวงพ่อเดิมมากขึ้นโดยเฉพาะวันนี้ที่ท่านได้เรียนสมถกรรมฐานจากภิกษุชราซึ่งสอนได้เข้าใจจำแจ้งยิ่งนักคุณต้องทำใจให้ได้มันเป็นธรรมดาของชีวิตไม่เกิดก็ต้องมีดับดวงตะวัน ยังไม่อยู่ข้างฟ้ามันขึ้นมาแล้วก็ตกไปประสาอะไรกับชีวิตมนุษย์ภิกษุสูงวัยพูดด้วยเสียงปกติผมอยากให้หลวงพ่ออยู่ไปนานๆครับเพื่อเป็นร่มโพร่มใสของลูกศิษย์ลูกหาถ้ามันเป็นไปตามที่คุณอยากโลกนี้คงไม่มีใครตายเพราะทุกคน ก็อยากมีชีวิตยอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเอาละ่ะอย่าทำจิตตกประเดี๋ยวเจาเรียนไม่รู้เรื่องท่านยังไม่ตายในวันสองวันนี้หรอกนาท่านปลอบใจพระหนุ่มถ้าเช่นนั้นผมข อ, อนิมนต์หลวงพ่ออยู่ต่ออีก17ปีนะครับให้อายุเท่าพระ อ, อนนุนพุทธอุปถา พระเจริญรู้สึกใจคอดีขึ้นนิดหนึ่งคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกไม่ถึงแน่พระหนุ่มใจห่อเหี่ยวลงอีกครั้นคิดไปถึงโยมยายความห่วงใหญ่เริ่มก่อตัวขึ้นป่านชนี้โยมยายจะอยู่ดีมีสุขหรือว่าเจ็บระทวยป่วยไข้ก็ไม่อาจรู้ได้ภิกษุชรา ล่วงรู้จิตใจของสิทธิผลสุดท้ายจึงพูดขึ้นว่าไม่ต้องห่วงโยมยายของคุณหรอกเขาสบายดีฉันรับรองได้แต่โยมยายอายุมากแล้วนะครับหลวงพ่อร่วมเก้าสิบแล้วผมหวั่นใจว่าท่านจะจากไปโดยที่ผมไม่มีโอกาสกลับไปเห็นใจเสียงที่พูดสั่นนิดนิด ไม่เป็นเช่นนั้นแน่ฉันรู้ว่าเขาต้องอายุยืนเชื่อชั้นไม่ละ่ะเชื่อครับเชื่อร้อยเปอร์เซนตเลยไม่เชื่อหลวงพ่อแล้วจะไปเชื่อใครเชื่อตาอุ้ยนะสิได้ข่าวว่าไปเรียนคาถามหาเสน่ห์จากแกไม่ใช่หรือภิกษุชาราสัพยอกนึกถึงหลวงตาอุ้ยเทยไร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 นิมนเทศเรื่องกะสินต่อเธอครับตกลงแต่ก่อนที่จะสอนต่อขอถามก่อนว่าคุณมีข้อสงสัยอะไรหรือเปล่าสิ่งที่ทั้นพูดมาทั้งหมดนะ่ะสงสัยไหมนี่ชั้นหมายเฉพาะเรื่องกรรมฐานเท่านั้นนะเรื่องอื่นไม่เกี่ยวท่านต้องพูดกันไว้ก่อนด้วยรู้ว่า พระเจริญกำลังจะถามนอกเรื่องพระหนุ่มจึงต้องตอบว่าไม่สงสัยครับเรื่องที่หลวงพ่อพูดมาแล้วผมไม่สงสัยแต่สงสัยเรื่องที่ยังไม่ได้พูดคือผมกาลังจะเรียนถามหลวงพ่อว่าผมต้องเรียนกสินทั้งสิอย่างเลยใช่ไหมครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอาแค่มวดแรกคือภูตะกะสินก็อพอ โดยเริ่มเรียนปฐวีกสินก่อนเอาละ่ะฟังให้ดีฉันจะบอกวิธีเรียนปฐวีกสินหรือถ้าพูดให้ถูกต้องตามตำราก็ว่าวิธีจเจริญปฐวีกสินภิกษุไวร้อยสามนั่งหลับตาเพื่อรื้อฟื้นความจำท่านต้องการสอนสิทธิคนสุดท้ายผู้นี้ ให้เข้าใจแจ่มแจ้งที่สุดวิธีเจริญปัตวีกษินที่พระอัฏฐกถาจารย์ท่านสอนไว้นั้นลำดับแรกต้องทําดวงกษินก่อนวิธีทําดวงกษินให้หาดินที่มีสีแดงดุดแสงพระอาทิตย์เมื่อแรกอุทัยคุณเคยเห็นไหม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 ก็น่าจะเป็นอย่างที่คุณว่าภิกษุชารารู้สึกพอใจในปฏิพานไว้พริบของภิกษุหนุ่มจากนั้นจึงอธิบายปฐวีกสินต่อเมื่อได้ดินมาแล้วพึ่งชำระดินนั้นให้บริสุทธิ์เสียก่อนจึงทำเป็นวงกลมกว้างคืบสีนิ้ว คัดให้ราบเสมอดังหนากรองแล้วพึงปัดกวาดที่นั้นให้โลงเตียนอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดทําใจให้ปลอดโปรง่งตัดความกังวลทั้งหลายให้หมดสิน้นอย่างหลังนี้คงจะทํายากนะครับหลวงพ่อฟังดูเหมือนไม่ยาก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 นิมนต์หลวงพ่อบรรยายต่อเธอครับตกลงเอาละเมื่อปฏิบัติ ด, ดังที่กล่าวมาขังตนแล้วก็ถึงตอนนั่งภาวนาให้นั่งบนตังที่มีขาสูงคืบสี่นิ้วใกล้จกดวงกระสินประมาณสองศอกคืบ อ, อาการที่นั่ง ให้นั่งคัดสมาธิเท้าวขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหันหน้าเข้าหาดวงกสิณ น, นึกพิจารณาโทษของกามคุณต่างๆและตั้งจิตให้ยินดีในฌาน ธรรมะอันเป็นอุบายที่จะยกตนออกจากกามคุณจากนั้นให้หระลึก ถ, ถึงคุณของประพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังปรีดาปราโมทให้เกิดคุณแล้วพึงลืมตาดูดวงกสินเมื่อดูดวงกสินนั้นยาพิจารณาสี พึ่งกำหนดว่าสิ่งนี้เป็นดินเท่านั้นแต่สีดินนั้นจะละเลยเสียไม่ได้เพราะว่าสีกับดวงกสินนั้นเป็นอันเดียวกันดูดวงกรสินก็เป็นอันดูสีอยู่ด้วยดังนั้นพึ่งรวมดวงกรสิน สีเขา้าโดยกันและดูดวงกษินกับสีนั้นพร้อมกันโดยกำหนดว่าสิ่งนี้เป็นดินแล้วพึงบริกรรมว่าดินดินดินหรือถ้าจะเป็นภาษาบาลีก็ว่าปัทวีปัท ว, วีอย่างนี้เป็นร้อยเป็นพันครั้ง คณะวริกรรมวาดดินดินหรือปัทวีปัทวีนั้นอย่าลืมตาตลอดเวลาให้ลืมตานิดหนึ่งแล้วพึงหลับตาลงเสียแล้วพึงลืมตาขึ้นดูอีกปฏิบัติ ด, ดังนี้ต่อไปเอาละเท่าที่ฉันอธิบายมานี้ คุณพอจะปฏิบัติได้ใช่ไหมให้ทำไปตามนี้ก่อนมีปัญหาอะไรก็ให้มาถามได้แต่ฉันขอบอกไว้ก่อนว่าการงานทุกอย่างจะสำเร็จลุล่วงได้ก็ด้วยความเพียรพยายาม ภิกษุชราพูดให้กำลังใจสิทธิคนสุดท้ายครับผมจะพยายามอย่างที่สุดที่หลวงพ่อบรรยายมาจบเรื่องกสินหรือยังครับยังไม่จบหรอกยังมีอีกหลายเรื่องฉันยังไม่ได้อธิบายเรื่องนิมิตสภาวนาสาและวสีหาคืนอธิบายตอนนี้ อาจทำให้คุณควยเควหรือใหม่ก็เกิดท้อท้อยีกซะก่อนเอาเป็นว่าคุณไปทำอย่างที่ฉันพูดมาข้างต้นก็แล้วกันแล้วค่อยมาต่อภายหลังแล้วเออนานไหมครับกว่าผมจะได้ชนันพระหนุ่มเรียบเคียงถามอันนี้ต้องถามตัวคุณเอง